สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ส3บสาในรายการหนีบาปขอย้ำกับบรรนพุทธบริษัทไว้ก่อนเรื่องราวก็จะจบมันนานนักการหนีบาปจริงๆให้ยึดสัยชน์สามรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสัโยชน์ข้อที่หนึ่งได้จะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย แล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภ่าจาวที่ทรงแนะนำกับคณะโงเปสการีว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำ ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้เป็นไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อหนีหนีนรกกันในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสัสดาทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำส อ, สอนของพระองค์ ้วยความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ทุกคนทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอนตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินวนวรน ในเรื่องทั้งอานิสงส์แห่งการนั้งสาสิข้อที่หนึ่งตามที่พระจำบอกว่าปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาวดังสมาธิยามิก็แปลว่าเขาไปแยาเขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตชีวิตขอยแถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย ล้าไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่สิบสองได้พูดมาถึงเรื่องเขาสินห้าข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซสก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกบบระบาดท่านพุทธบริสัตว์ <c oughs> ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาสินห้า ในชาติปัจจุบันเราก็ทราบแล้วล ว, ว่าคนที่มีสินห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, ส, งสินข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าเว้นเดกการฆ่าสัตว์ที่ทรมานสัตว์ทำร้ายร่างกายสัตว์สินทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอแล้วสินข้อที่หนึ่งนี่กับกำหนดสิบเหมือนกัน อรรมะที่แทกอยู่ในสิ่งข้อที่หนึ่งหรือกำหนดสิทข้อที่หนึ่งก็ได้แก่เมตตาความรักกุณาความสงสารโทษโกสินห้าว่ามาแล้วทีนี้ว่ามาถึงคนคนที่บุคคลรักษาสิ่ข้อที่หนึ่งได้ในชาติปัจจุบันมีผลเป็นยังไงเป็นยังไงพูดมาแล้วในในตอนที่สิบสอง ตอนที่สิามนี่ขอพูดถึงคนที่พึงได้หผลนี่พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะได้จิตขบรนดาทต็มพุทธบริสัทธ์ทรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกุณากรุณาความโสงสาร <c oughs> แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจเขาบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมาก เขียนว่าคนมี ค, ความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณายความสงสารก็ดีท่านนิรหลดิเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่การยิ้มการยิ้มนี่บอกว่าเป็นคนใจดีเนือคนเราทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย อตาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สำหรับอตาตมาเองเห็นใครเขายิ้มเราก็ชื่นใจ <c oughs> บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีวาสนาบารมีสูงพอเราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามคนที่จะรักได้ แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านทั้งหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอาตมาไม่ทราบตาตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่คบแน่ถพราะถือคืนคบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ้มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีอไรหน้าเธอก็คล้ายๆกันหน้าเสือในครัวบาง หน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนก็ผาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุม่มยังไม่แก่และยังไม่บวทคนประเภทนี้ไม่คบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการครบหาสมาคมบ้าง ก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าขอเธอไม่ทำให้เราชื่นใจตอนนี้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าดวงตาแก่กิเลสมากก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจริงๆเมื่อเกิดออกทอจากคาันมารดากิเลสเท่า6ก0ันหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าหก0ันก็ได้ การเกิดวันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็ไม่ความรู้สึกเดิมเห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสงสัยทุกคนก็ต้องแช่มชืนเหมือนกันอย่างพระอราหารันต์ท่านคงจะชอบใจคนยิ้ม แต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนที่ไม่เป็นคนจะไม่เกลียดแต่น่าอาจจะสะลดใจมากกว่าคนจะสงสารนุ่นโอนหรอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลยทางนี้เพราะอะไรเพื่ว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจําเป็นจริ ง, รงๆเขาจริงจะคบ เขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้ามายิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อกองต้องการความช่วยเหลือก็ลงความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยาก มาพูดคุณตัณฑ์หน้ส่ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจําใจจึงเว้นจหตการฆ่าสัตว์เว้นเหตการทรมานสัตว์เว้นเหตการประทุษร้ายร่างกายสัตว์คําว่าสัตว์ที่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตาย ให้กำลังใจเขาเอย่าสดชื่นเตินัดเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษาใจเปี่ยมชุ่มชื่นด้วยเมตตาและกรุณาทั้งสองรายการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น <c oughs> เอาเป็นชาติเดียวนะ <c oughs> เอากันชาติที่ปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากำลังใจเขาตั้งอย่างต่าก็ต้องเปโธ่ดาบนสวรรค์ใกาวมาวจรสวรรค์ถ้ากำลังใจความเมตตาปราณีของท่านเข้มคนก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความความว่าท่านตายเมื่อไหร่ท่านมีความสุขก ว, นนว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่ เอาอะไรสุขจริงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกขการปวดอุจาระปัสสาวะการปวดอุจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์การกระทบ ก, กับทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เบกไก่ของความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ปิยโตชายเตโซโกติยโตชายเตไปอย่างพยั ง, ยงความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่นกำลังใจนำไปหาอันตรายด้ความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ความวความการการพัดพร่จากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ การถูกทรมานร่างกายจะโรคไข้ไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามการเวลาถ้าถึงว่าระที่จะต้องตายอาการประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดก็ต้องตายรวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอย่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอ ยอมรับนักถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ส่งศินให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ดังนั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตายอย่างเร็วที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหม การเกิดเป็นเทวดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีแร่างกายของเทวดาและผมไม่มีการแก่เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไรอยู่นานเท่าไรก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับพรมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มี ความป่วยไข้ไมส่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับผมก็ไม่มีรวมความว่ามีสุขจริงๆ ท, ท่านที่ท่านเรียกว่าสุขติไปสู่แดงของความสุขอันนี้ก็เป็นสงฆ์เมตตากาารุณาจงสมรด้การในสิ่งข้อที่หนึ่งเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดากระรม ในเมื่อบุดหมดบุญบัณนาบรารมีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ก็ต้องมาชนปังอยู่ที่นมนุษย์โลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่ว่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าไม่เท่าทุกข์ในอบายภูมิพ อ, อมาถึงโลกมนุษย์แล้จะได้อะไรบ้าง สิ่งที่ตนได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกันเอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกุลนาความสงสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการทำกายทำร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือหนึ่งผลก็เมตตาความรัก ท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาโสูดทรงาสวยมากขอทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยโ ส, ส, สดทรงดีดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ใช่ก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติ อารมณ์คิดประทุสร้ายของคนอื่นใดหาย า, ยากเจอตอบว่าอารมณ์นี้คิดประทุสร้ายคนอื่นไม่มีนั่นะไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาแล้วผมก็ตอไปก็นิพพานไปเลยในคนนี้มีตะมีเมตตาความรักกุณามีเมตตาความรักกุณาความสงสาร ในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่านส่งผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูป่าสวยผิวสวยคาว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่านก็จะขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองถ้าไปเกิดในแดนสีเหลือง บางเกตต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีเรืองเวรอยก็จะเกิดในแดนนั้นวงความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยของแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลาย ทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านเพราะสบุญบา ร, รมีเมตตาความรักกุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปทว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างตรมานบ้างเล็กๆน้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไ ม, ไม่มีโรคมีภัยเลย จะไม่มีการป่วยไข้ไมส่สบายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ไมส่สบายที่บรรดาเทพุทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพในสิ่ข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้มันเกิดการป่วยไข้ไม่สบายฉะนั้นบรรดาญาโยมธุดวิษัททั้งหลายที่เคยมาพบอตมาก็ขอร้อง ว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านนั่งหลายก็ไม่มาฟ้องท่านนั่นหลายมาซ้อมอาตมาก็าให้และขอโทษในคะําว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุกไม่ใช่อย่างนั้นจะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้ แต่ความจริงถ้าไม่ซ้อมไม่ต่อว่าถ้าธรรมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไม่สมบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนานานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงเถึากับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทําไมฉันป่วยมากนัก เป็นมานานแล้วไม่รู้จักหาย <c oughs> ก็ทิ้งก็ทอดพระปาก็ทอดสงฆทยก็ทำบายก็ใส่สลายก็สร้างบวถก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทาหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สบายเลยรอพระเขาให้ท่านจัวพระคำว่าพระคาเดีย ว, ย ว, ยวนบรมดาท่านพุทธบริษัท พระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธเย็นนี่กว่าอาตมาเป็ น, ร น, นพระอรหันต์พระนาคามีนะที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่ว ย, ยไข้มาสบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมาดา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมา ก, ก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขานาที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลานี้ปีนี้ค่พอสอนี่คือ 2,528 ลงสราเวลาทำบุญบรรพไม่ได้ไม่ต้องเดินพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤศจาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม 2,528 จนกทั่งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่สิบแปดันวาคมสองพันห้าร้อยี่ิบปดยังไม่สามารถจะลงแสดงพระธรรมเทศนาทิศลาได้เลยปีนี้มันป่วยจริงๆว่า ย, ยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึงสี่ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพาารนะอรหันต์จะผิดเรียกว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชินวันไหนไม่ป่วยไม่มีแต้งแต่อายุยี่สิบแปดนต้นมาป่วยเป็นปกติจะพูดง่ายๆก็ไปอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วย ฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจะไม่อยากไม่นึกเต็มีนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารเพราะอะไรเพราะว่าโทษปานาติบาตในชาติก่อนท่านฆ่าสัตว์แล้วทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายและถูกทรมานน้ำมากโทษอันนั้นยิงให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอาตมา ที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลกเรามาโชว์ความชั่วกันอาตมานี่ย่ายก่อนของชั่วมากใ้การป่วยไข้เป็นสบายที่กระทบกระทั่งมากกระรวงความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นาน ที่ได้คั้งของการทร ม, มานและทำร้ายนะท่า น, นี้ว่าการถึงการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอากันตายเลยท่านบอกว่าบุคคลนี้ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นอาชินกรรมที่ท่านพูดเป็นคําบางเผยตมามภาษาชาว บ, บ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่ตอไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลย แสงพระอาทิตย์และแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามัรดาของท่านท่านไม่มีโอกาสโผล่มาเห็นทางนี้เพราะอะไรเขแท้งในท้องเวท่านเห็นเดือนเห็นตะวันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาถ่ากําลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระเว้นท่านประเภทนี้เพราะคลอดจจกันมันดาก็ตาย อาจจะคลอดปุ๊บตายปั๊บหรือคลอดมาในวันสงวันตายก็ได้คันแบบนี้จำไว้ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพอหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตาย น้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอเป็นวัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยหน่อยเป็นบาปไม่มากนักข้าไม่มากนักอายุถึงอายุขายจึงตายหรื่อยๆอายุขายจึงตายมีว่ากระทั่งได้ความตายบรรดาท่นพุทธบริษัทหลายมีหลายท่านมากำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทำไมจึงตายมาถามกันเยอะ น่าสงสารเด็กบางท่านกับอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการประมานมาก่อนตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษบาปนาริบาติตตามมาโปรดทราบไ้ด้วยความจริงคนฤาษีที่ตายไม่น่าจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายก็มันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทำไม ไม่ควรจะถือประเพณีการรอห้คนยาเป็นครูเอาเป็นครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขั้นนาดเด็กกว่าเราเขายังตายแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทำไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพวกงนี้เอาเป็นครูไปเลยนึ่ว่าถึงโทษแล้วว่าถึงคนมื่อคุณคนของท่านที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิต ไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอะเรียกว่าเลยอยายุไขเวลานี้อยายุไขเจ็ดสิบห้าปีท่านหลายเ้านี้อาจจะร้อยปีเสร็จอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่ว ย, ยไข้มาสบายหากว่าไปการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะไม่เต็มอยายุไขเป็นต้น เรื่องความมันน่าจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนเมอยู่ยืนนานแล้วไม่มีโครคภัยไข้เจ็บปดเบียดเปลี่ยนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทําร้ายร่างกายสัตว์ข้าขอบรรดาลท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกโกองค์สมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรกการหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้ รวบรัมความดีคือยอมรับนัถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสองฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมเหการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามรันหากว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้งห้าข้อถ้ารักษาได้ห้าข้อสนแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพงห้าชั้น ที่ท่านรักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกรแพงชั้นเดียวถ้ากระแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบางเอิญเป็นสุดกระแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกันนี่ขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงชินได้ข้อเดียวก็ทรงให้มัน่นคงทํากําลังลกําลังใจเฮ้ตงเครื่องคั้นตั้งข้าขัาข้นของฌาน <c oughs> คำว่าฌานไปยังไงฌานนั่งเบริการเพ่งท่านแปลแบบนี้ปแปลมตามศัพท์ไม่หนักใจแต่หนักกัญญานิดว่านั่งเพ่งก็จะไหวหรือหูตาแสบไปหมดมีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งเท่าน้ำตาไหลไปเลยตาแสบเพราะว่าถึงกาลังใจเมตตากคุณ น, นายความรักธรรมนั่ฌานไปยังไงให้จิตสรงอารมณ์ ให้เข้าใจว่าชายคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนรืสัตว์ที่มีความผิดไม่คิดอยากจะปพุทสรายไข่แต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เปลี่ยนาคามีแต่ที่ไหนก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทำร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอ ย, อยู่อยู่อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิง ยังไงยังไงกำแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติเอาแค่กัน แ, แค่ชาติเดียวก่อนถ้ากันก้นกำแพงถึห้าชั้นอีกกั้นกันรกทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึง <S <S มเมื่อเนมื่มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเวลาก็ไปยี่สิบเก้านาทีเฉเศษ ก็ต้องขอลาบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมโลปเคตที่กําลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าตอบฝ่ายฟังกันใหม่ถ้ายังมีความประสงค์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุน่นผลได้จงไปด้วยจ่าตุลยพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรนนาสุขาพระละและปฏิพานหากทุกขันเพื่อประสงค์สิ่งใด ก็คอยอันสมรุองความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี